จากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ใช้เวลาที่วาง น, นี้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจอ ย, อย่างแท้จริงด้วยการมาพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นการพัฒนาที่แท้จริงการพัฒนาการพัฒนาอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นทางลาบยศสรรเสริญ หรือความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเป็นการพัฒนาที่ไม่จีรังถาวรไม่ยั่งยืนเพราะมีกรอบอยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไฟเพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานของกาย เมื่อกายตายไปสิ่งที่ได้พัฒนามาไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกเว้นกายก็จะหมดไปใจก็ไม่สามารถนำเอาสิ่งที่ได้พัฒนาไปได้เลยแนมะ้แต่นิดเดียวแต่ถ้ามาพัฒนาจิตใจก็จะสามารถ เอาสิ่งที่พัฒนานี้ติดไปกับใจได้และจะเป็นประโยชน์กับใจทั้งในขณะที่ร่างกายยังไม่ตายไปและมีประโยชน์ต่อหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเพราะการพัฒนาจิตใจด้วยบุญด้วยกุศลด้วยธรรมะด้วยพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจะติดไปกับจิตใจ จะฝังลึกลงไปเรื่อยๆตามกำลังแห่งการพัฒนาถ้ายังพัฒนาไม่มากก็ยังหยั่งลงไม่ลึกเหมือนต้นไม้ถ้าปลูกแรกๆรากยังไม่หยั่งลึกลงลึกถึงถึงดินก็อาจจะตายได้ถ้าเกิดอาการแห้งแรงขึ้นมาแต่ถ้ารากได้หยั่งลึกลงไปในดิน ที่สามารถหาน้ำภายใต้ดินได้แล้วก็จะีแต่เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะตายไปได้ดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาจิตใจของเรายิ่งกว่าการพัฒนาสิ่งอื่นๆเพราะเป็นการพัฒนาที่แท้จริง ที่เป็นประโยชน์จริงๆแก่จิตใจของเราส่วนการพัฒนาทางลาบยศสรรเสริญสุขนี้นอกจากไม่ได้เป็นการพัฒนาที่แท้จริงแล้วยังไม่ได้เป็นการให้ความสุขที่แท้จริงแก่จิตใจแต่กลับสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจให้มีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเมื่อได้มามากก็จะเกิดความยึดติดมากขึ้น เกิดความหวงมากขึ้นเกิดความรักมากขึ้นเกิดความอยากได้มากขึ้นก็จะทำให้ใจต้องดิ้นรนตะเกียกตะกายคอยดูแลรักษาคอยหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆและเมื่อร่างกายถึงเวลาที่จะต้องหยุดทำงานใจก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะทำตามความอยากของใจได้ ใจก็จะทุกข์ทรมานใจและเมื่อออกจากร่างไปก็ต้องไปแบบทุกข์ทรมานใจไปเกิดในอบายต่อไปส่วนใจที่ได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันอย่างต่อเนื่องนี้ก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขตามลาดับ มากขึ้นไปเรื่อยๆตามการตามกำลังของการพัฒนาว่าจะพัฒนาได้ไปถึงธรรมะในขั้ น, นในในะในระดับใดถ้าได้ธรรมะที่สูงขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความร่มเย็นเป็นสุขก็จะมีมากขึ้นไปอยู่เรื่อยๆจนมีเต็มอยู่ภายในหัวใจ ไม่มีความทุกข์สามารถจะเล็ดลอดเข้ามาได้เลยเพราะไม่มีพื้นที่สำหรับความทุกข์นั่นเองทุกพื้นที่ ท, ทุกตารางนิ้วตารางเม็ดของหัวใจนั้นเต็มไปด้วยความสุขและความสุขนี้ก็จะไม่ได้สูญหายไปตามการการตายของร่างกายเป็นคนละส่วนกันความสุขนี้ไม่ได้ต้องมีร่างกาย เป็นผู้รักษาหรือไม่เป็นไม่เป็นเหตุที่จะทําให้ให้ต้องมิต้องหมดไปหรือมีอยู่เพราะร่างกายหมดไปหรือมีอยู่แต่อยู่ที่การบําเพ็ญอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าที่ทรงสอนให้ทําบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อม ให้ละบาป ท, ทั้งปวงและทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการกําจัดความโลภความโกรธความหลงทําบุญก็คือการให้ทานนี่เป็นบุญหลักที่พวกเราทํากันอยู่เสมอเป็นเหมนเป็นตัวสําคัญในเรื่องของบุญทั้งหลายส่วนบุญอย่างอื่นก็มีความสําคัญแต่ก็ขึ้นอยู่กับการละเทสะ เช่นบุญอุทิศก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีผู้ที่จะอุทิศบุญไปให้หรือไม่ถ้ามีผู้ที่ร่วงลับไปแล้วแล้วเขาตกทุกข์ได้ยากลําบากลาบนมาขอส่วนบุญเราก็อุทิศส่วนบุญนี้ให้กับเขาได้ถ้าไม่มีเวลาเราทําบุญเราก็อุทิศให้แก่สัตว์ประสาททั้งหลายผู้ที่ไม่มีญาติที่จะคอยอุทิศบุญให้ เขาก็จะสามารถได้รับบุญจากเราแล้วเราก็จะได้บุญจากการอุทิศบุญนี้แต่โดยหลักแล้วบุญที่เราควรจะทำอย่างสม่ำเสมอก็คือทานการให้ตราบใดที่เรายังมีสิ่งที่เราให้ได้อยู่ตราบใดที่เรายังมีสิ่งที่เกิดความจำเป็นเราไม่ควรเก็บเอาไว้ถ้าจะเก็บก็เก็บไว้เพื่อความจำเป็นในอนาคต เช่นเผื่อว่าวันหน้าเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตกทุกข์ได้ยากเราก็จะได้อาศัยส่วนนี้ไว้มาดูแลรักษาอัตภาพาร่างกายของเราแต่อย่ากเก็บเอาไว้เพื่อไปหาความสุขทางตาหูจมูกเน้นกายหรือเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของราคาแพงๆเพราะว่ามันไม่ได้ ทำให้จิตใจนั้นมีความสุขมากขึ้นแต่กลับจะมีความทุกข์มากขึ้นเพราะจะต้องคอยหาเงินมาบำบุงบำเรอความฟุ่มเฟือยต่างๆไม่มีวันหมดสิ้นถ้าเราอยู่อย่างประหยัดอยู่อย่างมากน้อยสันโดษเราก็จะไม่ต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองมามากๆ เพื่อใช้ใจ่ายกับของแพง ๆ, ๆทั้งหลายแล้วของแพงหรือของถูก <c oughs> เขาก็สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนกันเช่นสบู่ก้อนละสิบบาทหรือก้อนละร้อยบาทมันก็สามารถชาระร่างกายได้เหมือนกันอาหารมือม้อละห้าสิบบาทหรือมื้อละห้าพันบาทมันก็ทำให้อิ่มท้องได้เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วออกมาก็ไม่มีราคา ไม่มีใครอยากได้เหมือนกันแล้วทำไมเราต้องเสียเงินเสือทองมากมายเพื่อที่จะรับประทานอาหารในเมื่อเราสามารถใช้จ่ายใช้เงินทองเพียงเล็กน้อยเพื่อซื้ออาหารมารับประทานแล้วได้รับผลเท่ากันก็คือร่างกายได้รับอาหารที่จําเป็นเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือ ตายไปนี่คือการการการสร้างบุญอย่างหนึ่งคือด้วยการมักน้อยสโดุเราจะต้องใช้สติปัญญาเวลาที่เราจะบริโภคสิ่งต่างๆทั้งหลายควรรู้จักคำว่าประมาณคำว่าประมาณนี้หมายถึงว่าพอดีมากเกินไปกไ็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าน้อยเกินไปก็จะเกิดโทษได้ ต้องไม่ให้น้อยเกินไปต้องให้พอดีแต่ไม่ต้องมากเกินไปมากเกินไปแล้วจะเกิดโทษแพงเกินไปก็จะเกิดโทษถ้าถูกเกินไปแล้วได้ของที่ไม่มีคุณภาพทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันอย่าประหยัดจนกระทั่งกลายเป็นคนตนีไม่ยอมไม่ยอมเสียเงินเสียทอง แม้กระทั่งดูแลรักษาร่างกายของตนก็ไม่ยอมเสียเงินเสียทองกินแบบอดอยากขาดแคลนกินอาหารที่ไม่มีคุณภาพไม่ช่วยรักษาร่างกายให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขคือเราต้องรู้จักความพอดีในในการอุปโภคบริโภคปัจจัยสอาหารก็อย่างที่พูดให้ฟัง ไม่จำเป็นจะต้องมีราคาแพงๆอาหารที่ราคาถูกที่มีประโยชน์กับร่างกายก็มีกินอาหารตามข้างถนนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปกินตามพัตตาคานตามโรงแรมหรูๆต่างๆเพราะสิ่งที่เราเสียไปเสียเสียไปนั้นค่าใช้จ่ายที่เราต้องให้นั้นไม่ได้เป็นค่าอาหารแต่เป็นความหรูหราเท่านั้นเอง อาหารก็ซื้อมาจากตลาดอันเดียวกันผักก็ซื้อมาจากตลาดเหมือนกันเนื้อก็ซื้อมาจากตลาดเหมือนกันผลไม้ก็ซื้อมาจากตลาดเหมือนกันแล้วก็เอามาปรุงแต่งเหมือนเหมือนกันถ้าเปรับประทานในโรงแรมหรูๆก็ต้องจ่ายหลายสิบเท่าถ้ารับประทานอยู่ข้างถนนก็จ่ายเท่าเดียวประโยชน์ที่ได้ก็เหมือนกัน ดังนั้นขอให้เรารู้จักประมาณในการรับประทานอาหารทุกครั้งเวลาที่เราจะรับประทานอาหารพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเหตุผลของการรับประทานอาหารว่าเรารับประทานเพื่ออะไรเพื่อร่างกายไม่ใช่เพื่อกิเลสไม่ใช่เพื่อจิตใจจิตใจไม่ได้รับประทานอาหารจิตใจเพียงแต่รู้แล้วก็กิเลสก็เพียงแต่มาจู้จี้จุกจิก อยากจะกินอาหารชนิดนั้นอยากจะกินอาหารชนิด น, ดนี้เพราะถูกปากถูกคอร่างกายเขาไม่สนใจหรอกอาหารชนิดไหนก็ได้เหมือนกับรถยนต์ที่เราเติมน้ามันเขาไม่สนใจหรอว่าจะเป็นยี่ห้อไหนจะตาดาวตาหอยตาช้างตาเสือก็ไม่สำคัญอะไรขอให้มันเป็นน้ามันที่ทาให้รถวิ่งได้ก็ใช้ได้ฉันได้ อาหารก็เป็นเหมือนน้ามันของร่างกายไม่สำคัญว่าจะเป็นอาหารชนิดใดถ้าจากักใดรับประทานเข้าไปแล้วทำหน้าที่ของอาหารได้ไม่ทาร้ายร่างกายไม่เป็นพิษต่อร่างกายก็ใช้ได้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ตัดค่าใช้ใจ่ายลงไปได้มากและเราก็จะได้มีเวลาว่า จากการที่จะต้องไปหาเงินหาทองเพื่อมาบำรุงบำเลอความฟุ่มเฟือยของเราเมื่อเรามีเวลาและมีเงินเหลือเราก็จะมีเวลาได้มาทำบุญให้ทานเงินที่เราเก็บไว้จากการประหยัดนี้เราก็เอามาพัฒนาจิตใจของเราได้ด้วยการให้ทานอย่างที่เราทำกันในวันนี้เมื่อเราให้ทานแล้วใจของเราก็จะมีความสุข มีความอิ่มเอิบใจมีความภูมิใจมีความพอใจก็จะทำให้เราไม่มีความยินดีกับการใช้ของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะมันไม่ได้ทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความสุขเหมือนกับการให้ทานนั่นเองต่อไปเราก็จะประหยัดเงินมากขึ้นจะอยู่แบบสมถะเรียบง่ายมากขึ้นจะอยู่แบบมักน้อยสันโดษมากขึ้น แล้วจะมีเงินเหลือมากขึ้นมีเวลามากขึ้นมีที่จะได้มาทำบุญให้ทานมากขึ้นเมื่อเราทำไปแล้วจิตใจของเราก็จะมีความเมตตามากขึ้นมีความกรุณามากขึ้น<ม>ก็จะทำให้เราไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแต่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นมีความสุข เราก็จะมีศีลขึ้นมาโดยอัตโน ม, มัติหรือถ้าเราจะรักษาศีลเราก็จะรู้สึกว่าไม่ยากเย็นอะไรเลยรักษาได้อย่างสบายแต่ถ้าเราไม่ทําบุญให้ทานเรายัางชอบใช้เงินใช้ทองซื้อของฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตแบบหรูหราอยู่เราจะไม่ค่อยมีเงินทองพอที่จะมาทําบุญให้ทานเมื่อเราไม่ทําบุญให้ทานเราก็จะไม่มีความเมตตาไม่มีความกาัุณา แล้วเราก็จะคิดเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะความอยากของเรานั้นมีมากเราต้องการเงินมากๆเพื่อที่จะมาบํําุงบาเรอความหรูหราความฟุ่มเฟือยของเราเราก็จะไม่สนใจถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นขอให้เราได้เงินมาอย่างเดียวขอให้เราได้ตามความอยากของเราอย่างเดียวเราก็จะไม่สามารถรักษาศินได้ เราจะรู้สึกว่าศีล น, นี่เป็นอุปสรรคเป็นเหมือนมานขวางติเลตเป็นตัวที่คอยขัดขวางความอยากของเราถ้าจะรักษาศีลแล้วทาตามความอยากนี่รู้สึกว่ามันยากมากมันจะไม่ได้ดังใจไม่เหมือนกับไม่รักษาศีลใช้วิธีวิธีวิธีไหนก็ได้ขอให้ได้มาก็แล้วกันนี่คือทางของผู้ที่ พัฒนาทางด้านลาบยศสารเสริญสุขทางโลกจะเป็นอย่างนี้แต่ทางของผู้พัฒนาทางจิตใจจะไปสู่ความสงบจะไปสู่ความร่มเย็นจะไปสู่ความเมตตากรุณาแล้วก็จะพาไปสู่การสิ้นสุดของกิเลส ต, ตามลำดับต่อไปไมเมื่อเรามีศีลแล้วจิตใจของเราก็ยิ่งมีความสงบมากขึ้น เราก็ยิ่งเห็นคุณค่าของความสงบมากขึ้นเราก็อยากจะพัฒนาความสงบนี้ให้มีอย่างต่อเนื่องมีให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะสนใจต่อการศึกษาเรื่มจิตตะภาวนาคือการพัฒนาจิตใจภาวนานี้แปลว่าการทําให้มีขึ้นหรือเป็นการพัฒนาในสิ่งที่ไม่มีให้เกิดขึ้น ใจิตใจที่ไม่มีก็คือความสุขความนุ่มเย็นความสงบใจิตใจของปุถุชนส่วนใหญ่จะมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจของกิเลสตันหาที่คอยผลักดันให้บุมแต่งให้ไปแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาหาได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่ทำให้ ความคิดความปรุงแต่งของจิตใจน้อยลงไปแต่กับทำให้คิดมากขึ้นเพราะเมื่อได้อะไรมาก็คิดว่าฉลาดขึ้นรู้จักวิธีหาเงินได้มากขึ้นรู้จักวิธีหายศดหาตำแหน่งได้สูงขึ้นก็เลยยิ่งหมุนจิตก็เลยยิ่งหมุนมากขึ้นปรุงแต่งมากขึ้นจิตปรุงแต่งมากขึ้นเท่าไหร่ความรุ่มร้อนก็จะมีมากขึ้นเหมือนกับรถยน ถ้าวิ่งมากๆความร้อนมันก็จะร้อนมากขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่เย็นลงมันจะมีแต่จะร้อนขึ้นไปนอกจากมันหยุดเท่านั้นหยุดแล้วดับเครื่องแล้วมันก็จะเย็นลงไปจนเย็นได้แต่นที่จิตของเราก็เป็นเหมือนกันถ้าจิตเรายังมีความโลภความอยากยังมีความต้องการในสิ่งต่างๆอยู่ยังมีความคิดรุงแต่งหาหาวิธีต่างๆที่จะ ได้มาในสิ่งที่อยากได้จิตก็จะมีแต่ความรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลามีแต่ความหิวความอยากอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะได้มามากน้อยเพียงไรก็ตามได้เงินทองกองเท่าภูเขาก็ไม่สงบไม่หยุดไม่ยนมีแต่จะร้อนมีแต่อยากจะให้ได้มากยิ่งขึ้นไป เ, เรื่อยเราเห็นอยู่ในในโลกนี้ตัวอย่างของคนที่มีความอยากที่ไม่มีความสิ้นสุดนี้ ร่ลำรวยขนาดไหนก็ตามใหญ่โตขนาดไหนก็ตามก็ยังหยุดไม่ได้ยังหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะไม่ได้พัฒนาถูกจุดนั่นเองไม่ได้พัฒนาที่ใจไม่ได้พัฒนาด้วยการสร้างความดีละความชั่วละกิเลสความโลภความโกรธความหลงสำหรับผู้ที่ พัฒนาทางด้านจิตใจก็จะเห็นคุณค่าของความสงบและก็อยากจะพัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆจนจนเริ่มศึกษาเรื่องจิตตภาวนาแล้วก็ปฏิบัติเริ่มต้นการพัฒนาจิตใจก็ต้องทำจิตใจให้สงบก่อนให้นิ่งก่อนเพราะจิตใจนี้ถ้าไม่นิ่งแล้วจะไม่สามารถที่จะกำจัด ความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นเหนือนเมเร็งในร่างกายเวลาหมอจะผ่าตัดคนไข้เอาก้อนเนื้อร้ายนี้ออกจากร่างกายหมอต้องฉีดยาสลบก่อนถ้าไม่ฉีดยาสลบไม่ให้ยาสลบคนไข้เดี๋ยวพอไปผ่าเข้าคนไข้ก็จะนิ่นจะร้องจะไม่สามารถที่จะตัดเนื้อร้ายออกมาได้ฉัในใดเวลาจะผ่ากิเลสออกมาจากใจ พาความโลภความโกรธความหลงพาความอยากต่างๆออกมาจิตใจใจก็ต้องสงบก่อนเพราะใจไม่สงบแล้วความโลภความโกรธความหลงจะต่อต้านทันทีพอจะให้ละสิ่งนั้นละสิ่งนี้ก็จะละไม่ได้เพราะกิเลสไม่ยอมนั่นเองแต่ถ้าทําจิตใจให้สงบแล้วที่นี่มาสอนใจให้ละ ให้เห็นโทษของสิ่งที่ติดอยู่ว่าเป็นโทษเป็นภัยแก่จิตใจตอนนั้นก็จะไม่มีกิเลสมาต่อต้านเพราะกิเลสถูกกำนัาของสมาธิซึ่งเป็นเหมือนยาวสลบทําให้กิเลสสลบสไลดไม่ออกมาต่อต้านพอไม่มีกิเลสมาต่อต้านมีแต่ธรรมะคอยสอนก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นโทษของความโลภในสิ่งต่าง เห็นโทษของความโกรธเห็นโทษของความอยากต่างๆแล้วก็จะละได้ตัดได้นี่คือเรียกว่าวิปัสสนาการตัดกิเลสนม่ต้องตัดด้วยวิปัสสนาด้วยการพร่ำสอนจิตให้เห็นความจริงให้เห็นโทษของสิ่งที่จิตไปหลงติดอยู่ไปอยากได้อยู่ไปโลภอยู่ไปโกรธอยู่ว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจมีแต่จะสร้างความทุกข์ร้อนให้กับจิตใจ ลองสังเกตดูเวลาที่เราโลภมากๆหรือเราโกรธมากๆนี้เราเป็นอย่างไรกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะมัวแต่คิดแต่เรื่องที่กําลังโรคโลคหรือกําลังโกรธอยู่บางคนถึงกับเป็นโรคประสาทต้องอาศัยยานอนหลับเพราะนอนไม่หลับเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้มันทําให้จิตใจคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา ให้หวาดกลัวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้โกรธเกลียดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจเลยมีแต่ทําให้จิตใจนี้ใกล้เข้าสู่ความเสียสติมากขึ้นคนที่มีความร่ํารวยมากมากนี้มักจะเป็นโรคจิตกันไปดูประเทศที่พัฒนาที่มีการเจริญทางด้า น, น ร, ร, ร่ำยศสารเสวนสุขทางโลกกัน คนที่มีเงินมากๆ ม, ม, มีทองมากๆนี้มั ก, กจะทําอะไรที่ผิดปกติเป็นเหมือนคนบ้าพวกดาราต่างๆทําอะไรนี่ลองสังเกตดูไม่ทําอะไรเหมือนคนปกติเขาทํากันก็เพราะถูกอำนาจของความโลภ ค, ความโกรธความหลงนี้บังคับให้ทํานั่นเองเพราะอยู่เฉยๆไม่เป็นอยู่ไม่เป็นสุขทําอะไรก็ทามาหมดแล้วอย่างคนธรรมดาทั่วไปทา ก็เลยต้องหาอะไรที่แหวกแนวกับคนธรรมด า, าเช่นไปเสพยาเสพติดชนิดต่างๆไปหาความสุขชนิดต่างๆแบบวิปริตต่างๆแล้วก็มาทุกข์กับการกระทำของตนเพราะมันไม่ได้ทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงนั่นเองจิตใจกับวิ ป, ว ป, ร, ร, ปรัสดมากขึ้นไปเรื่อยๆวิปริตมากขึ้นไปเรื่อยๆมีความคลิดแปลกๆมากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มีไม่มีสติปัญญามาละงับก็จะถึงกับฆ่าตัวตายได้ดาราภาพยม์ที่ตายกันไปส่วนใหญ่ก็ตายเพราะเหตุนี้เองเพราะไม่ได้พัฒนาจิตใจมัแต่พัฒนาทางทางทางโลกคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพัฒนาทางลาบยศสรเสริญสุขยังไม่ใช่เป็นการพัฒนาแต่เป็นการทำลายชีวิตของตนเอง เราจึงควรจะเอาตัวอย่างเหล่านี้มาเตือนสติมาสอนใจเราว่าเราอยากไปทางนั้นเราอยากไปทางลาบยศสรรเสริญสุขเราต้องไปทางที่พระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าท่านก็มีลาบยศสรเสริญสุขมากกว่าพวกเราหลายร้อยเท่าด้วยกันแต่ท่านมีปัญญาท่านฉลาดท่านเห็นท่านรู้ว่ามันไม่ได้เป็นการพัฒนาที่แท้จริง การพัฒนาที่แท้จริงต้องพัฒนาที่ใจด้วยการให้ทานพระองค์ก็เลยสละราชสมบัติทานอันไหนจะใหญ่เท่ากับการสละราชสมบัติไม่เอาอะไรออกไปจากวังเลยนอกจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ไปชุดเดียวแต่พอไปกลางทางเจอขอทานเห็นเสื้อผ้าสวยก็อยากจะละก็ขอแลกพระองค์ก็สงแลกให้สละเสื้อผ้าของ พระราชโอรถแล้วก็เอาเสื้อผ้าของขอทานมาสวมใส่แทนนี่คือการให้ที่ยิ่งใหญ่การให้ที่แท้จริงการให้แบบหมดจดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยพอให้หมดแล้วเทนี้ก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเรื่องการให้ทานแล้วไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาทำบุญให้ทานอีกต่อไปเพราะนั่นไม่ใช่เป้าหมายของการให้เป้าหมายของการให้ก็คือการปล่อยวาง ทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่เมื่อเราให้หมดแล้วก็ถือว่าจบแล้วเรื่องของทานที่นี้เราต้องทําอย่างอื่นต่อไปก็คือต้องรักษาศีลต่อไปรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็พัฒนาจิตใจด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาหาที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากความวุ่นวายต่างๆตามป่าตามเขาเพื่อหาความสงบทางด้านจิตใจ ตั้งสติและเลึกรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตใจคิดเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับกายให้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทำของกายแล้วก็กำหนดให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวจะอยู่กับพุทโธก็ได้จะอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้หลับตาทำจิตใจให้สงบจิตสงบแล้วก็จะมีความสุขเพราะกิเลส ถ, ถูกฉีดยาสลบ กิเลสเป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความรุ่มร้อนให้กับจิตใจพอกิเลสถูกสมาธิทำให้สลบจะไหลไปความรุ่มร้อนต่างๆก็จะหายไปก็จะเหลือแต่ความสงบสุขที่เป็นของที่ติดอยู่กับใจมาตลอดแต่ไม่มีโอกาสที่จะสแสดงเพราะว่าถูกความรุ่มร้อนของกิเลสคอยปิดบังอยู่บดบังอยู่ เหมือนกับแสงสว่างของพระอาทิตย์ที่้าูกไม่บอกมามาบดบังก็จะไม่สามารถส่องแสงสว่างออกมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพระอาทิตย์ไม่มีแสงสว่างพระอาทิตย์มีแสงสว่างตลอดเวลาใจของพวกเราก็มีความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่ถูกกิเลสตัณหามาบดบังมาสร้างความทุกข์ทับซ้อนไปเท่านั้นเอง พอกิเลตัณหาไม่สามารถสร้างความทุกข์ได้ความสงบสุขก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีเรามีของที่ดีที่วิเศษอยู่ในใจของเราแล้วแต่เราไม่รู้กันเราถูกอำนาจของความหลงหลอกให้เราไปหาความสุขเมื่อเราถูกหลอกเราก็มีความโลภความโกรธขึ้นมาก็เลยสร้างความทุกข์ขึ้นมาพอมีความทุกข์ ก, ก็ยิ่งโลภยิ่งโกรธใหญ่ พอยิ่งโลภยิ่งโกรธก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยถ้าเราไปทางโลกทางอยากาตามความอยากแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสอนเราเราจะไม่มีทางที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในใจของเราได้เลยแต่พวกเราโชคดีชาตินี้ได้มาพบพ ร, พระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสนามเสนอ อย่างวันนี้ก็สอนได้ยินคำสอนว่าให้พัฒนาจิตใจเพราะเป็นการพัฒนาที่แท้จริงอย่าไปพัฒนาทางราบยสะะเสารสนสุขทางโลกเพราะเป็นการสร้างความทุกข์เป็นการพัฒนาความทุกข์มาเหยียบย่าจิตใจถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้พบกับความสุขอันประเสริฐที่มีอยู่ในใจของเราแล้วที่กาลังรอให้พวกเรา เผยออกมาเท่านั้นเองด้วยการกำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจดังนั้นหน้าที่ของเราจึงอยู่ที่การบำเพ็ญอยู่ที่การปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อพัฒนาจิตใจของเราให้ได้มีความเจริญมีความสุขอย่างแท้จริงจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญบุญกุศล เพื่อพัฒนาจิตใจที่เป็นการพัฒนาที่แท้จริงนี้ให้ท่านได้นําไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอหยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้มาบําเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ทั้งในทางโลกแม่ไายทางทางโดยทั่วหน้ากันเธอ